จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตามีใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายวางเว้นจากภารกิจการงาน จึงได้มาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาสร้างที่พึ่งทางจิตใจเพราะชีวิตของพวกเรานั้นจำต้องมีที่พึ่งอยู่หลายชนิดด้วยกันในเบื้องต้น ด้านกายก็ต้องมีที่พึ่งคือมีปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก็เป็นที่พึ่งชนิดหนึ่งที่เราขาดไม่ได้และตอนที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆก็ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นที่พึ่งเลี้ยงดูเรา จนเราจะริญโตโกตกขึ้นมาพอที่จะพึ่งตัวเราเองได้พอที่จะรับประทานอาหารเองได้อํบน้ำอาบท่าเองได้เข้าห้องน้ำห้องท่าเองได้ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่คอยดูแลเราก็พึ่งตัวเราเองมาเพื่อไปโรงเรียน ไปศึกษาหาความรู้เมื่อได้ศึกษามีความรู้แล้วก็นําความรู้นี้ไปเป็นเครื่องมือทำมาหากินหาปัจจัยสี่ของเราเองไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ต่อไปนี่ก็เป็นที่พึ่งสองอย่างคือพึ่งปัจจัยสี่สำหรับร่างกายพึ่งตนเอง ในการหาปัจจัยสี่มาเรียงปากเรียงทองนอกจากนั้นก็ยังต้องมีที่พึ่งอีกชนุดหนึ่งที่เป็นที่พึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นที่พึ่งที่สูงสุดของชีวิตเพราะถ้าปราศจากที่พึ่งอันนี้แล้วชีวิตของเราจะหาความสุขความเจริญไม่ค่อยได้ จะต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ในกองทุกข์อยู่ไปตลอดแต่ถ้าเราได้ที่พึ่งที่สำคัญนี้มาเป็นที่พึ่งของเราคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าสระนังกัจฉามิพุทธธรรมธรรมังสังขังสระนังกัจฉามิถ้าเราได้ที่พึ่งอันนี้แล้ว รับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆและจะไปถึงที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายได้ยำต้องมีสรณะคือพระรัตนตรยัย พุทธังธรรมังสังคังสารนังกัจฉามิเป็นที่พึ่งนี่คือที่พึ่งต่างๆของชีวิตเราดังนั้นอย่าสับสนบางคนคิดว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคืออัตตาอิอัติอัตโนนาโถแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมีพุทธังธรรมังสังคังสรนังกัจฉามิตนเป็นที่พึ่งของตน แต่ถ้าตนโง่ไม่ฉลาดไม่รู้จากทางที่จะพาให้ตนไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรก็เป็นที่พึ่งสําหรับการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเองถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องพึ่งพระรัตนตรัยพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ เป็นทางเป็นผู้นำทางให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว้ตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่เราได้ปรวงละสังขารไปแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวุกทั้งหลายในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ ท่านก็ไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิน้นเพราะท่านมีที่พึ่งไว้คอยป้องกันไม่ให้ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆมารุมเร้าจิตใจนั่นเองท่านมีปัญญาปัญญาคือเรียกว่าเป็นสุดยอดของสาระที่เรามาทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมนี้ ก็เพื่อที่จะไต่เต้าให้ไปถึงยอดของสระณะยอดของที่พึ่งนั้นเองก็คือปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะมีอาวุธไว้คอยป้องกันภัยต่างๆไม่ให้มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราให้บอบช้งให้วุ่นวายให้เศร้าโศกให้หวาดกลัว ให้กังวลให้มีความเศร้าซ้อยหงอยเหงาอิดนาราอ า, ายัยเบื่อหน่ายท้อแท้ต่างๆอารมณ์ต่างๆเหล่านี้จะไม่มีในใจของผู้ที่มีสรณะคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นหน้าที่ของเรานอกจากการดูแลรักษา อัตภาพชีวิตของเราด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถแล้วเราก็ยังต้องดูแลรักษาจิตใจของเราด้วยสรนังพุทธังธรรมังสังคังสรนังกัจฉามิควบคู่ไปกับอัตตาหิอัตโนนาโถเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้นําทางเท่านั้น ท่านไม่สามารถแบกเราไปได้ท่านไม่สามารถปฏิบัติทำแทนเราได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตที่จะให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตจะมีความปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายต่างๆได้อย่างไร เราก็นำเอามาปฏิบัติเอาพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงปฏิบัติแล้วและพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติแล้วมาเป็นครูมาเป็นแบบฉบับท่านดำเนินชีวิตอย่างไรเราก็ดำเนินชีวิตตามท่านท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามท่านเช่นท่านใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อเหรเหิงไม่สุรุ่ยสุร่ายใช้เท่าที่จำเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นอบายามุขทั้งหลายสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการครบคนชั่วเป็นมิตรสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสำคัญไม่มีความจำเป็น ต่อการเจริญรุ่งเรืองของชีวิตของเรานอกจากไม่มีความสำคัญแล้วยังเป็นเหตุที่จะฉุดกให้ชีวิตของเราตกต่าให้ชีวิตของเรามัวหมองให้ชีวิตของเรามีแต่ความทุกข์ความยากลำบากดังนั้นเราต้องศึกษาวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายแล้ว พยายามปฏิบัติตามให้ได้ท่านเป็นคนที่ใจบุญสุนทานท่านไม่หวงไม่แหนในทรัพสมบัติเข้าของเงินทอ ง, องตา่ตาง ม, มีมากมีน้อยที่ท่านสามารถบริจาคได้ท่านก็บริจาคไปส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่เก็บอะไรไว้เลยมีสมบัติเพียงแปดชิ้นเท่านั้นที่เรียกว่าอัฏฐบริขาร คือมีบาดอยู่หนึ่งใบมีผ้าไตรจีวอนมีผ้าสามผืนมีประคตเอวมีใบมีดโกนมีที่กรองน้ำและมีเข็มกลับได้นี่คือสมบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลายมีเพียงเท่านี้ นอกจากนั้นได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็จะบริจาคไปไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆไม่พึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นที่พึ่งอยู่ได้โดยไม่ต้องมีสิ่งต่างๆขอให้มีเพียงแต่สิ่งที่จำเป็นต่อการดารงชีพเท่านั้นคือปัจจัยสี่อาหารก็อาศัยการบินทบาทมีบาทอยู่ใบเนึ่งก็ เป็นเครื่องมือทรราหากินได้แล้วเครื่องนุ่งหมก็มีจีวร อ, อยู่สามผืนมีผ้านุ่งอยู่ผืนหนึ่งผ้าห่มอยู่ผืนหนึ่งแล้วผ้าห่มกันหนาวอยู่อีกผืนหนึ่งเรียกว่าไตรจีวรสามผืนด้วยกันมีใบมีดกรนไว้สำหรับกรองผมตรงหนวดมีเข็มกลัดได้ไว้ซ่อมจีวรไว้ปะไวเ้เย็บจีวร มีที่กรองน้ำไว้สำหรับกรองน้ำเนื่องจากน้ำในสมัยก่อนนั้นจะตักจากริมทาลำธารตักจากแอ่งน้าซึ่งอาจจะมีตัวสัตว์เล็กๆน้อยๆอยู่ในน้าจึงต้องใช้ที่กรองน้ำเพื่อจะได้ไม่ตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยและมีปะคตเอวก็คือเข็มขัดไว้รัสผ้านุ่งนั่นเอง นี่คือสมบัติของมนุษย์ที่เลิ่ที่ประเสริฐที่พวกเรากราบไหวบูชาที่พวกเรายึดเป็นสาระเป็นที่พึ่งท่านมีเพียงเท่านี้เท่านั้นและชีวิตของท่านในแต่ละวันก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกเลยไม่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะต่างๆ ไม่อยากไม่ต้องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ต้องไปดูหนังไปฟังเพลงไปดื่มไปรับประทานอาหาร <c oughs> ตามสถานที่ต่างๆให้วุ่นวายไปเปล่าๆเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสุขกับใจนั่นเองเพียงแต่ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานเฮฮาพอแก้เหงาไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้ให้ความสุขเลยแต่กลับกลายเป็นโทษเสียอีกเพราะจะทําให้ติดนิสัยเมื่อได้ออกไปเสพสิ่งต่างๆแล้วถ้าไม่มีโอกาสออกไปเสพก็จะมีอาการทุรนทุรายมีความเศร้าซ้อยหงอยเหงาอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุข <c oughs> ต้องดิ้นไปหาไฟต้องดิ้นไปหา หอกหาของมาทิมแทงจิตใจของตนเองด้วยการออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซื้อข้าวของที่ไม่จำเป็นซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมาบริโภคแล้วก็ต้องไปหาเงินต่างๆเพื่อมาใช้กับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องไปทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความยากลำบาก กว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทแทบจะแทบเป็นแทบตายแต่พอเอามาใช้นี่ใช้ได้อย่างง่ายดายเงินเดือนออกไม่ถึงวันอาจจะหมดไปแล้วก็ได้เพราะใจนี้ชอบใช้เงินใช้ทองชอบหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองแต่ไม่คิดถึงความทุกข์ยากลาบาก ท, ที่เกิดจากการต้องหาเงินหาทองเลย ชีวิตก็จะบุนเวียนอยู่กับการหาเงินและการใช้เงินจะไม่ได้มีโอกาสได้พบกับความสงบร่มเย็นเป็นสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้พบกันเลยชีวิตก็จะเวียนว่าอยู่กับการเที่ยวการกินการดื่มการหาเงินหาทองแล้วก็จะหมดไปหมดไป แล้วแก่เท่าไปแล้วตายไปตายไปแล้วใจที่ยังมีความหิวความอยากก็ต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดตามบุญตามกรรมถ้าเกิดทำบาป ท, ทำกรรมไว้มากก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายถ้าเป็นคนที่มีสติมีศีลธรรมอย่างน้อยก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องมาทุกข์ใหม่ ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ก็จะหมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆซ้ำซ้ำซ้ำซากๆอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าได้ดำเนินตามรอยเท้าของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายชีวิตของเราก็จะสูงขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นมีความสุขมากขึ้น เพราะเป็นความสุขที่มีอยู่กับตัวของเราเป็นความสุขที่ไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อเป็นความสุขที่ซื้อไม่ได้เป็นความสุขที่ต้องประพฤติปฏิบัติต้องทำบุญให้ทานเสียสละบริจาคสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพไม่หวงแหนไม่เก็บไว้ ไว้ให้เป็นภาระให้เป็นความทุกข์ความกังวลใจแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลธรรมความดีงามไม่เบียดเบียนผู้อื่นตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้พูดคาไหนก็เป็นคํานั้นสมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นก็ไม่แตะต้องสามีภรรยาของผู้อื่นก็ไม่เกี่ยวข้อง เป็นคนที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครอยู่ที่ไหนกับใครก็จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขให้ความสบายอกสบายใจแก่ผู้ที่ร่วมอยู่ด้วยจะไม่สร้างความวังวลให้กับผู้อื่นเลยไม่เหมือนกับผู้ที่ปราศจากศีลธรรมอยู่ที่ไหนกับใครก็จะสร้างความวุ่นวาย สร้างความทุกข์สร้างความกังวลให้กับผู้อื่นอยู่เสมอจนต้องถูกเขาจับไปขังไว้ในคุกในตารางเพื่อป้องกันไม่ให้ไปสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับผู้อื่นนั่นเองนี่คือการ ป, ปฏิบัติในเบื้องต้นของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายทรงบริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจนหมดสิ้นไป เจ็บไว้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลและธรรมอันดีงาม น, นอกจากนั้นก็บำเพ็ญจิตตะภาวนาทำจิตใจให้สงบด้วยการเปลิกวิเวกไปอยู่ตามสสถานที่สงบสงบัดถ้าอยู่บ้านก็หาที่สงบมุมสงบในบ้าน ไม่เปิดดูโทรทัศน์ไม่ฟังเพลงไม่กินของต่างๆไม่ดื่มของต่างๆกินเท่าที่จําเป็นดื่เท่าที่จําเป็นเช่นรับประทานอาหารก็เป็นเวลาแล้วก็รับรับประทานไม่มากรับประทานพอประมาณวันหนึ่งไม่เกินสองมือ้อไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว หรือรับประทานมื้อเดียวก็ได้เพราะว่าถ้ารับประทานมากจะทำให้การทำจิตใจสงบนี้ทำได้ยากลาบากเพราะจะง่วงนอนจะขี้เกียจอยากจะนอนอย่างเดียวเวลานั่งสมาธิก็นั่งสงบไม่มีสติไม่มีสตั ม, มตแต่ถ้ารับประทานอาหารพอประมาณแล้ว เวลานั่งสมาธิจะไม่ขี้เกียจจะไม่ง่วงเหงาหานอนจะมีสติคอยควบคุมจิตใจไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆให้คิดอยู่กับธรรมะบทใดบทหนึ่งเช่นบทสวดมนต์ก็ได้หรือบทพุทโธก็ได้บริกรรมพุทโธไปพุทโธไปก็ได้ มีสติคอยควบคุมบังคับไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าควบคุมได้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวได้อยู่กับบทสวดมนต์อย่างเดียวได้จิตใจก็จะค่อยๆสงบลงไปความคิดต่างๆก็จะเบาบางลงไปความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปความเย็นความสบายใจความอิ่มหนำสำราญใจ ก็จะเพิ่มมากขึ้นไปจนมีเต็มที่อยู่ในจิตใจเลยถ้ามีอย่างนั้นแล้วจะไม่หิวไม่อยากกับอะไรทั้งนั้นไม่อยากดูไม่อยากกินไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากไปเที่ยวอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆอยากจะอยู่เฉยๆถ้าจะทำอะไรก็ทำในสิ่งที่จําเป็นเช่นซักผ้าปัดกวาด ถูบ้านถูเรือนทำความสะอาดต่างๆหาอาหารมารับประทานเท่านั้นเองแต่จะไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาความสุขจากการไปซื้อข้าวของต่างๆที่ไม่จําเป็นไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้ามาให้มันล้นตู้ไม่ต้องซื้อรองเท้ามาให้มันล้นตู้ไม่ต้องไปหาอาหารกินตามร้านอาหารต่างๆ ไม่ต้องไปตามโรงหนังโรงละครโรงน้ําชากาแฟโรงเล่าโรงสุราต่างๆให้เหนื่อยยากไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าไปกี่ครั้งก็ไม่เคยอิ่งไม่เคยพอไปแล้วก็ต้องกลับไปอีกเพราะยังหิวยังต้องการอีกไม่เหมือนกับการปลีกฤกษ์ทำจิตใจให้สงบ เมื่อสงบแล้วจะสบายจะอิ่มจะพอจะอยู่เป็นสุขนี่แหละคือวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาอย่างนี้ถ้าเราอยากจะได้พบกับความสุขแบบนี้เราก็ต้องทำแบบนี้มีเงินมีทองเหลือใช้อย่าไปชื้อของฟุ่มเฟือยมา ถ้าจําเป็นต้องเก็บเอาไว้ก็เก็บเอาไว้ถ้ามีเหลือเก็บก็เอาไปทําบุญทําทานจะดีกว่าจะมีความสุขใจจะทําให้เรารักษาศีลได้ง่ายกว่าได้ง่ายขึ้นถ้าใจเรามีความโลภความอยากความต้องการเพราะใจเราไม่ได้รับการสนับสนุนให้มีความอิ่มความพอจากการให้ทาน เราก็จะต้องดิ้นรนไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาให้กับใจแล้วก็จะหาด้วยวิธีที่พิชชอบเช่นไปรักขโมยบ้างไปพูดปดมดเท็จบ้างก็จะทําให้เรามีจิตใจที่ว้าวุ่นขุ่นมัวทําให้เราเป็นคนที่ไม่น่าเลื่อมใสศรัทธาไม่น่าชื่นชมยินดีไม่น่าคบค้าสมาคมด้วย นี่เป็นเพราะว่าเราใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกแทนที่หาะใช้ไปเพื่อให้ทำจิตใจให้มีความอิ่มให้มีความโลภความอยากน้อยลงเรากลับใช้เงินเพื่อให้เกิดความโลภมากขึ้นความอยากมากขึ้นความอิ่มน้อยลงถ้าให้ทานแล้วจะมีความอิ่มเอิบในจิตใจอย่างที่ท่านได้มาทำกันในวันนี้แล้วจะทำให้ มีความโลภน้อยลงมีความอยากน้อยลงก็จะไม่ต้องไปทาผิดศีลถ้ามีความโลภมากอยากมากก็ต้องไปทำศีลผิดศีลผิดธรรมเพื่อที่จะให้ได้มาตามความโลภตามความอยากดังนั้นมีเงินมีทองก็ขอให้เราบอยจากขอให้เราเสียสละส่วนที่เราต้องเก็บเราก็เก็บเอาไว้เพื่อวันข้างหน้า เพื่อแล้วเราก็จะได้ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันีงามแล้วเราจะได้มีเวลาไว้สำหรับการบำเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบในเบื้องต้นก็ต้องเจริญสติต้องมีสติอยู่กับตัวอยู่เสมอเพราะสตินี้จะเป็นตัวควบคุมบังคับไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเอง ดนึงใจไว้ให้อยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้ใจรู้อยู่กับการกระทำนั้นๆกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินอย่าเดินไปแล้วคิดถึงเรื่องต่างๆเดี๋ยวจะเดินไปเตะข้าวของได้เดินไปสะดุดต่อหกล้มได้หรือเดินไปตกหลุมตกบ่อได้เพราะไม่มีสติ เดินไปแล้วก็คิดเลื่อยเปื่อยคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติการที่จะมีสติต้องรู้อยู่ทุกก้าวย่างว่ากำลังก้าวอยู่ก้าวซ้ายเท้าซ้ายก็รู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็กาลังรู้ว่ากำลังก้าวเท้าขวาให้รู้อยู่อย่างนี้แล้วเราจะมีเครื่องมืออันวิเศษไว้สำหรับปราบ กิเลสที่มีอยู่ในใจของเราเวลาโลภเราก็สามารถหยุดมันได้เวลาโกรธเราก็สามารถหยุดมันได้เวลาหลงเราก็สามารถหยุดมันได้เพราะเรามีเครื่องมือสตินี้เป็นเหมือนกับบางเหยนที่มีไว้ใช้บังคับมาถ้าขี่ม้าไม่มีบังเหยนนี่ก็จะไม่สามารถบังคับมาได้ จะให้ม้าวิ่งไม่ให้ม้าหยุดให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะไม่สามารถทําได้แต่ถ้ามีบังเหตุแล้วก็จะสามารถบังคับให้ม้าทําตามคําสั่งได้ฉันใดถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถควบคุมบังคับใจได้ใจก็จะไปตามอําเภอใจอยากจะคิดเรื่องอะไรก็คิดไปอยากจะวุ่นวายกับเรื่องอะไรก็วุ่นวายไป อยากจะทุกข์กับเรื่องอะไรก็ทุกข์ไปอยากจะร้องห่มร้องไห้ก็ร้องไปไม่มีใครจะหยุดยับยั้งหยุดมันได้เพราะไม่มีเครื่องมือไว้คอยหยุดมันนั่นเองจึงต้องพยายามเจริญสติให้มากๆเพราะชีวิตของเรานี่เป็นเหมือนกับการขี่มา้าถ้าเราไม่มีสติไว้ควบคุมใจแล้วเดี๋ยวเกิดเวลาใจมันพยศ ข, ขึ้นมา มันก็จะทําเรื่องที่เราต้องมาเสียใจภายหลังได้ไปพูดไปดา่าไปวา่าไปทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นไปทุก์ไปทําร้ายผู้อื่นแล้วก็ต้องมาเสียใจในภายหลังไปทําบาปทํากรรมทําผิดศีลผิดธรรมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะใจขาดสติไว้คอยยับยั้งนั่นเองเพราะไม่รู้จักการเจริญสติ ไม่รู้จักการสร้างสติตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ยังไม่รู้จักวิธีรักสร้างสติขึ้นมาเพื่อไว้ควบคุมจิตใจเลยแต่วันนี้โชคดีที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้มีสติเพราะสตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เลยทีเดียวไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องมีสติคนไม่มีสติก็เป็นเหมือนกับคนบ้าคนบ้านี้จะให้ทำอะไรนี้ไม่ได้เลยเขาต้องทำอะไรไปตามเรื่องของเขาทำผิดผิดถูกถูกยากที่จะทำความดีได้คนที่จะทาความดีได้คนที่จะเจริญก้าหน้ารุ่งเรืองได้ต้องมีสติ ไม่มีสติก็ไปโรงเรียนไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้บวชเรียนไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นได้ไม่มีสติก็ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้คนที่ไม่มีสติก็เหมือนคนเมาสุราเมาสุราแล้วไม่รู้เรื่องใครเขาจะพูดอะไรใครเขาจะทำอะไรไม่รู้เรื่องรู้ก็รู้แบบหลับหลับตื่นตื่นรู้แบบ รู้ไม่จริงรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วควรหรือไม่ควรอย่างไรดังนั้นในเริ่มต้นเราต้องพยายามเจริญสติอยู่เสมอพยายามฝึกอยู่เรื่อยๆเราสามารถฝึกได้ตลอดเวลาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นคารว่าหรือนักบวชเราต้องเราฝึกได้เพราะ เรามีกิจกรรมที่เราทำอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติอยู่กับกิจกรรมนั้นก็ถือว่าเรามีสติแล้วกำลังทำอะไรก็ให้รู้อยู่กับการกระทำนั้นกำลังขับรถใกล้ๆอยู่กับการขับรถอย่าโมวแต่คุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวเผลอหน่อยไปชนท้ายรถคนอื่นขแล้วเพราะไม่มีสติสติจึงต้องมีอยู่ทุกเวลา ถ้าเผลอเมื่มอไหร่ก็เป็นช่องที่จะทำให้เกิดการผิดพลาดได้เป็นช่องที่จะทำให้กิเลสเล่นลอดออกมาได้เป็นช่องที่จะทำให้ความโลภความโกรธความหลงเล่นลอดออกมาได้เป็นช่องที่จะทำให้ไปทำบาปทำกรรมได้จึงต้องพยายามสร้างสติอยู่ทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับเลยพยายามฝึกให้มีสติอยู่กับตัวอยู่เสมอ ให้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปในอนาคตอย่าไปในอดีตถ้าจะไปก็ให้นั่งให้หยุดทำอย่างอื่นแล้วคิดให้พอมีความจำเป็นที่จะต้องคิดวางแผนว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรก็คิดให้พอคิดให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เก็บเข้าลิ้นชักแล้วค่อยไปทำอะไรต่ออย่าคิดไปแล้วทำไปด้วยจะเป็นนิสัยไม่ดีจะเป็น นิสัยที่ไม่มีสตินั่นเองแล้วก็จะทำให้ไม่สามารถควบคุมบังคับจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ตั้งอยู่ในความดีงามได้นี่คือที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเจริญในเบื้องต้นท่านเจริญสติเมื่อท่านมีสติแล้วท่านก็เอามาควบคุมจิตใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไร จนในที่สุดจิตก็จะสงบนิ่งพอสงบนิ่งแล้วก็ไม่ต้องควบคุมจิตอีกต่อไปเพราะเป็นตอนนั้นเหมือนกับเป็นคนนอนหลับถ้าเป็นนักโทษก็ไม่ต้องไปเฝ้าก็ได้เพราะรู้ว่านอนหลับอยู่ไม่ไปไหนแต่พอออกจากความสงบแล้วก็ต้องมีสติตามรู้ทันทีและตามสอนด้วยสอนไม่ให้ไปโลภไม่ให้ไปโกรธไม่ให้ไปหลง ไม่ให้ไปทำผิดศีลผิดธรรมสอนให้ทำแต่ความดีถ้าเป็นนักเรียนก็ให้ตั้งใจเรียนหนังสือไม่ไม่ไปเที่ยวเล่นให้เสียเวลาให้ตั้งใจเรียนหนังสือให้เรียนเก่งๆถ้ามีเงินมีทองก็ให้ระมัดระวังดูแลเก็บรักษาเอาไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นไม่ใช้กับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือย นี่คือการมีสติไว้ในการดำเนินชีวิตจะพาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญและความก้าวหน้าตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันต์ตสาคกทั้งหลายจึงขอให้พวกเราจงให้ความสำคัญต่อการสร้างที่พึ่งทางใจ คือสร้างสตินีแหละเป็นการสร้างที่พึ่งทางใจในเบื้องต้นสร้างไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะได้พระรันตนไกรมาเป็นที่พึ่งในจิตใจของเราตอนนี้พระรันตนไกรเป็นที่พึ่งอยู่ภายนอกยังไม่ได้เป็นของเราถ้าเป็นปืนก็ยังเป็นปืนที่อยู่ในร้านเราต้องไปซื้อปืนนั้นมาเป็นสมบัติของเราเราถึงจะมีอาวุธไว้ป้องกันตัว ตอนนี้พระรัตนตรัยยังไม่ได้เป็นสมบัติของเราเราต้องน้อมเอาเข้ามาด้วยการปฏิบัติด้วยการเจริญสติด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลแล้วต่อไปพระรัตนตรยัยอันประเสริฐนี้ก็จะมาอยู่กับจิตใจของเรามาเป็นที่พึ่งของเรามาป้องกันภัยต่างๆของเราจึางขอให้ท่านจง ให้ความสำคัญต่อการสร้างสารณะอันปปะเสริฐนี้พยายามสร้างสติอยู่เรื่อยๆวันเสาร์วั น, าววนอาทิตย์วันพระมีเวลาว่างก็ให้มาวัดมาทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันแล้วชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวอย่างแน่นอน การแส ด, แดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอบุญบุญกุศลที่ท่านได้มาบาเพ็ญนกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุปัญนนะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอ